วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ยี่สบพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตฝ่ายธรรมฝ่กุศลได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษามาเรียนรู้ วิธีการกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจเพราะความทุกข์นี้ก็เป็นโรคของใจดีๆนี้เองเหมือนกับโรคของร่างกายเวลาที่ร่างกายมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะต้องไปโรงพยาบาลไปหาหมอไปหายามารักษา ให้โครคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่นั้นหายไปฉันใดวัดก็เป็นเหมือนโรงพยาบาลพระสงฆ์องค์เจ้าที่อยู่ตามวัดต่างๆก็เป็นเหมือนหมอเหมือนพยาบาลที่จะให้ยามมารักษาโรคของใจคือความทุกข์ใจให้กับผู้ที่ไปไปหา เ, เวลาที่เรามีความทุกข์ใจเราจึงควรไปวัดกันถ้าเราจะได้วิธีรักษาโรคของของใจได้อย่างถูกต้องแม่นยำสามารถรักษาโรคของใจนี้ให้หายขาดได้เหมือนกับเวลาที่เรามีโครคภัยไข้เจ็บทางร่างกาย เราก็ไปโรงพยาบาลไปหาหมอหาพยาบาลช่วยรักษาให้พอหมอและพยาบาลได้ินิฉัยแล้วก็สามารถที่จะให้ยาให้วิธีการรักษาที่ถูกต้องดีกว่าไปซื้ อ, อยาตามร้านขายยาต่างๆเพราะว่าร้านขายยานี้เขาไม่มีหมอผู้ชํานาญในการรักษาโรคภัย้า้เจ็บ เขาเพียงแต่มีความรู้เกี่ยวกับยาต่างๆแต่เขาไม่รู้ว่าโรคของเรานี้เป็นโรคชนิดใดอาจจะให้ยาไม่ถูกกับโรค ก, ก็ได้แล้วก็จะไม่หายงนั้นคนส่วนใหญ่จึงมักจะไปโรงพยาบาลกันไปหาหมอไปหายพยาบาลให้ช่วยรักษาโรคให้หาย จันใดผู้ที่มีความทุกข์ใจก็ควรที่จะไปวัดกันไปวัดที่มีครูบาอาจารย์พาที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนสามารถรักษาโรคของใจให้หมดสิ้นไปได้แล้วถ้าได้ไปพบกับ คูบาอาจแบบนี้เราก็จะได้วิธีรักษาโาครคภัยไข้เจ็บของใจที่ถูกต้องและถ้าเรานำอาไปปฏิบัติเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้รักษาใจให้หายจากโรคของใจคือความทุกข์ต่างๆได้อย่างแน่นอน่อา ง, งั้นการที่เราจะ มีมีความสามารถที่จะทำให้ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเรานี้หมดสิ้นไปละไปได้นั้นเราจำเป็นที่จะต้องมีที่พึ่งทางใจอยู่สองส่วนด้วยกันที่พึ่งที่พึ่งทางใจส่วนที่หนึ่ง ก็คือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งมีพุทธทางธรรมสังคังสรนังกับชามิแปลว่าเราถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจเป็นผู้ที่จะช่วยสอนเราให้เรารู้จักวิธีรักษาโรคของใจให้หายขาดไปเพราะไม่มีใครในโลกนี้ นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะรู้จักวิธีกําจัดความทุกข์ของใจให้หมดสิ้นไปได้อย่างถาวรถ้าไปรักษาไปศึกษากับผู้อื่นที่ไม่ใช่เป็นพระพุทธพระธรรมหรือพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเราจะไม่ได้เรียนรู้วิธีการของการดับความทุกข์ต่างๆได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เราจึงจำเป็นที่จะต้องยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งของใจเป็นผู้ที่สอนให้ใจรู้จักวิธีกาจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้นี่คือความหมายของการถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งไม่ได้ ถือให้ท่านมาคุ้มครองป้องกันภัยต่างๆเช่นป้องกันโรคภัยไข้เจ็บทางร่างกายป้องกันอุบัติภัยเช่นบางท่านเดินทางนี้มักจะต้องมีผ้า<ม>ห้อยคอเอาไว้<ม>อันนี้ไม่ได้เป็นที่พึ่งแบบที่เราคิดกันพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นที่พึ่งสําหรับกําจัดความทุกข์ต่างๆของใจให้หมดสิ้นไป เวลาที่เรามีความเครียดเวลาที่เรามีความวิตกกังวลมีความเศร้าโศกเสียใจมีความหวาดกลัวสิ่งเหล่านี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะสามารถสอนให้เรากำจัดให้สิ่งเหล่านี้หมดสิ้นไปจากใจได้แต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ไม่สามารถที่จะมาปกป้องคุ้มครองรักษาร่างกาย ของเราให้ปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆจากอุบัติภัยต่างๆป้องกันไม่ให้ร่างกายตายมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่สามารถทำได้แม้แต่พระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าเองหรือพระพุทธเจ้าเองก็ยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายของพระพุทธเจ้าของพระอริยสงสาวคนี้ เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้กฎตายรักคืออนิจจังทุกขงังอนัตตาอนิจจังก็คือเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวเมื่อเกิดแล้วก็ต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตายตามมาเป็นธรรมดาไม่มีว่าไม่เว้นว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามร่างกายของพระพุทธเจ้าของพระอราิยสงสาวกก็ดี ร่างกายของปุถุชนคนธรรมดาอย่างพวกเราก็ดีเป็นร่างกายแบบเดียวกันเป็นร่างกายที่อยู่ภายใต้กฎอนิจจังเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันในเวลาเจ็บก็เจ็บจากโรคภัยชนิดต่างๆกันบางคนก็เจ็บด้วยโรคมะเร็งบางคนก็เจ็บด้วยโรคปอดโรคหัวใจโรคความดัน <c oughs> มีนานาชนิดของโรคภยัยไข้เจ็บที่จะมา รวมแล้วร่างกายและวิธีการของการตายก็ตายต่างกันไปบางคนก็ตายอยู่ในบ้านตายบางคนก็ตายอยู่ในรถบางคนก็อยู่ในเครื่องบินบางคนก็ตายที่โรงพยาบาลวิธีการตายนี่อาจจะต่างกันแต่ก็ต้องเจอกับความตายเช่นเดียวกัน สิ่งนี้สิ่งเหล่านี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่สามารถที่จะปกป้องคุ้มครองร่างกายได้เ <c oughs> พราะเป็นธรรมชาติของร่างกายที่อยู่ภายใต้กฎของตายรักอั น, นิจจังไม่เที่ยงถ้าไปยึดไปติดอยากให้ร่างกายเที่ยงก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะเขาเป็นอนัตตาร่างกายไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเรา ร่างกายเป็นเพียงส่วนประกอบขึ้นจากาธาตุทั้งสี่คือดินน้ำน ม, มไฟทั้งนั้นเองเป็นปรากฏการทางธรรมชาติอย่างหนึง่งเป็นเหมือนกับดินฝ้าอากาศเช่นเมฆนี้เกิดจากอะไรเมฆก็เกิดจากการที่มีาธาตุไฟคือความร้อนแผดเผ า, าธาตุน้ำน้ำที่อยู่ตามในแม่น้ำลำคลองออในมหาสมุทรพอมีความร้อนแผดเผา น้ำก็จะบางส่วนก็จะกลายเป็นไอไอน้ำลอยขึ้นไปในท้องฟ้าแล้วก็จับตัวกันเป็นก้อนเมฆแล้วต่อมาก้อนเมฆนั้นเมื่อมีน้ำหนักมากก็จะตกลงมาเป็นน้ำฝนนี่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเราจะเปรียบเทียบร่างกายของเราว่าเป็นเหมือนก้อนเมฆ ก, ก็ได้ก้อนเมฆก็ทามาจากธาตุไฟกับธาตุน้า พอไฟแผดเผาน้ในแม่น้ำลำคลองในทะเลในมาหาสมุทรน้ำที่ถูกความร้อนก็จะระเหยขึ้นมาเป็นไอเป็นไอ้น้ำแล้วก็จะไปเกาะตัวเป็นก้อนเมฆ ก, mm hmm. ก้อนเมฆ ก, ก็เกิดขึ้นจากการผสมของธาตุทั้งสองคือธาตุน้ำกับธาตุไฟ mm hmm. แล้วพอ พรรวมตัวกันมากๆขึ้นมันก็เกิดน้ำหนักทำให้มัน <c oughs> ตกลงมากลายเป็นน้ำฝนตกลงมากลายเป็นน้ำกลับมากลับขึ้นมาเป็นน้ำธาตุไฟที่ทำให้ธาตุทำให้เกิดเป็นเมฆนี้พอธาตุไฟอ่อนลงไปความเย็นมากกว่าความร้อนธาตุไฟนั้นก้อนเมฆนั้นก็จะ ค่อยๆกลับกลายมาเป็นน้ำต่อไปก็ตกลงมาเป็นน้ำฝนร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันร่างกายของเราก็เกิดจากการรวมตัวของธาตุทั้งสี่ในท้องของแม่โดยสายธาตุของธาตุทั้งสี่ของพ่อส่วนหนึ่งกับธาตุทั้งสี่ของแม่ส่วนหนึ่งมาเกาะตัวกันประกาบตัวกันก็จะเกิดการ เจริญเติบโตและพอจะเริ่มมีการเจริญเติบโตก็จะมีธาตุรู้คือใจผู้รู้ผู้คิดน네ี้มาเกาะมารวมมาเกาะตัวกับร่างกายที่กำลังเจริญเติบโตขึ้นมาก็เลยทำให้มีร่างกายค่อยๆเจริญเติบโตด้วยอาศัยธาตุ ดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟของแม่ที่อยู่ในคันใหหล่อเลี้ยงให้ร่างกายค่อยๆเจริญเติบโตมีอวัยวะต่างๆปรากฏขึ้นแต่ละชิ้นแต่ละอันนั่นมีปอดมีตับมีไ ต, ม, ตมีลำไส้มีอะไรค่อยๆเจริญเติบโ ต, ต, ตขึ้นหลังจากเก้าเดือนก็สมบูรณ์มีร่างกายที่ครบอาการสาสิบสองพร้อมที่จะ อยู่ของมันเองได้ก็เลยคลอดออกมาจากท้องแม่แล้วพอคลอดออกมาก็ยังมีการเติมธาตุดินธาต้น้ำธาตลมธาตไฟอย่างต่อเนื่องธ mm hmm. าตลมก็คือลมหายใจที่หายใจเข้าออกธาต้น้ําก็คือของเหลวต่างๆเช่นน้ําน้ํานมถ้าเป็นน้ํานมก็มีธาตุดินผสมอยู่ด้วยถ้าเป็นธาต้น้นํา mm hmm. ถ้าเป็นน้ำเปล่ า, นนาก็มีเป็นเพียงแต่ธาต้น้ําอย่างเดียว mm hmm. เด็กก็ค่อยเจริญเติบโตธาตุาไฟก็สายความร้อนของแสงอาทิตย์โลกเราที่อยู่กันได้มีความร้อนอยู่เพราะมีแสงความร้อนของแสงอาทิตย์ถ้าโลกเราถ้าไม่มีดวงอาทิตย์เมื่อไหร่โลกเราก็จะกลายเป็นโลกคัลวเหนือทันทีจะเป็นโลกที่มีแต่ความเย็นความหนาวมีแต่หิมะถ้าไม่มีธาตุไฟแล้วโลกเราทั้งโลกนี้ก็จะต้องจบลง สิ่งมีชีวิตต่างๆเช่นร่างกายต้นไม้ใบห ญ, ญา้านี่ก็จะไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศ จ, จากาธาตุไฟคือความร้อนของของดวงอาทิตย์นี่อันนี้คือปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าอนัตตาพุทธเจ้าบอกร่างกายเป็นอนัตตาเหมือนกับต้นไม้ต้นไม้ก็เป็นอนัตตาเหมือนกับก้อนเมฆก้อนเมฆก็เป็นอนัตตา เป็นการปรากฏการทางธรรมชาติอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยคือธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้นำธาตุลมธาตุไฟที่มันผสมตัวกันมาผสมกันปรุงแต่งเหมือนกับอาหารชนิดต่างๆที่เรารับประทานนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดจากความปรุงแต่งของการเอาภาษาเอาส่วนส่วนส่วนประกอบของอาหารต่างๆมามารวมตัวกันกว่าจะได้อาหารจานหนึ่งนี้เราก็ต้องมีอ มีผักมีเนื้อมีน้ำมันมีน้ำปลามีน้ำตาลมีอะไรใส่เข้าไปแล้วก็ต้องมีไฟผัดให้มันร้อนขึ้นมานี่ก็เป็นการผสมปรุงแต่งของธาตุสี่เหมือนกันดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนี้เป็นธรรมชาติทั้งนั้นไม่มีตัวตนตัวตนนี้เกิดจากความหลงของธาตรู้คือใจที่เมือครอบครองร่างกาย แล้วก็มายึดมาติดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเท่านั้นเองควาจริงไม่มีอะไรเป็นตัวตยของไม่มีอะไรเป็นของใครทั้งนั้น mm hmm. ใครไปยึดไปติดว่าเป็นตัวเราของเราก็จะต้องเจอกับความทุกข์เพราะว่าไม่สามารถสั่งการให้สิ่งที่เป็นตัวเราของเราให้อยู่กับเราเป็นของเราไปได้ตลอด mm hmm. วันใดวันหนึ่งมันก็จะต้องกลับเกินสู่ธาตุเดิมกลับเกินสู่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ เวลาร่างกายตายไปหมดลมหายใจธาตุที่เคยเข้ามาหล่อเลี้ยงก็ไม่สามารถเข้ามาได้ต่อไปธาตุที่มีอยู่ก็ไม่สามารถดำลงอยู่ได้โดยไม่มีธาตุใหม่เข้ามาผสมม า, มาเปลี่ยนมาสลับเปลี่ยนเอาธาตุเก่าออกไปร่างกายก็จะค่อยๆสุดลงเสื่อมลงแล้วในที่สุดก็เหลือแต่ โครงกระดูกแล้วในที่สุดโครงกระดูกนั้นก็จะผุพังกลายเป็นดินไปนนี่คือเป็นเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เกี่ยวกับร่างกายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามเป็นอย่างนี้หมดทุกคนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ไม่สามารถที่จะมาสั่งให้ร่างกายเที่ยงได้ไม่สามารถสั่ง สั่งให้ร่างกายเป็นของเราอยู่กับเราไปตลอดได้เพราะมันไม่ใช่เป็นของเรามันเป็นของธรรมชาติของธาตุสี่ทิศน้ําลมไฟแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จะสามารถมาสอนให้ใจไม่ทุกข์กับสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เพราะทุกขังนี้เกิดจากความหลงความหลงที่ไปคิดว่าสิ่งต่างๆเป็นตัวเราเป็นของเรา พอได้ศึกษาธรรมะจากพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเราอย่าไปยึดอย่าไปถือว่าเป็นตัวเราของเราต้องถือว่าเขาเป็นเหมือนเป็นเหมือนก้อนเมฆอย่างก้อนเมฆนี้เรารู้ว่าเราไม่สามารถไปยึดไปถือว่าเป็นของเราได้ก้อนเมฆเวลามันรวมตัวเราก็ไม่สามารถสั่งให้มันรวมตัวได้เวลามันจะกลายเป็นฝนลงมาจากท้องฟ้าเราก็ไม่สามารถสั่งมันได้ มันเป็นปรากฏการทางธรรมชาติยันใดถ้าเราได้ศึกษาธรรมชาติของร่างกายแล้วก็จะเปรียบเห็นว่าร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนก้อนเมฆก้อนหนึ่งที่วันหนึ่งมันก็จะต้องกลายเป็นน้าฝนไปเพราะว่าเอปัจจัยที่ทำให้มันมารวมกันมันมันหมดเช่นพอลมที่เคยลมที่เป็นส่วนผสมของร่างกายหยุดเข้ามาเมื่อไหร่ ร่างกายก็หยุดทํางานทันทีนพอหยุดทํางานส่วนที่เหลืออยู่คือธาตุสี่ที่เหลืออยู่ในร่างกายก็แยกตัวออกจากกันไปในที่สุดร่างกายก็อันตรธานหายไป น, น, นี่คือสิ่งที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ไม่สามารถที่จะมาคุ้มครองรักษาร่างกายได้แต่สามารถคุ้มครองรักษาใจไม่ให้ทุกข์ไปกับ ความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้คือสอนให้ใจยอมรับความจริงว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเหมือนก้อนเมฆที่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งการให้มันอยู่บนท้องฟ้าไปได้ตลอดก้อนเมฆมันก็อยู่ได้ชั่วคราวบนท้องฟ้าพอมันรวมตัวกันมา ก, มากขึ้นพออากาศเริ่มเย็นลงความร้อนที่อยู่ในก้อนก้อนเมฆเริ่มหายไป กาอนเมฆนั้นก็จะกลายมาเป็นน้ำอีกตกลงมาเป็นน้ำฝนนี่คือตัวอย่างของการมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นศาละเป็นที่พึ่งเราจะได้เรียนรู้วิธีการดับความทุกข์ของใจว่าทุกข์ของใจเราเกิดจากอะไรพระพุทธ เ, เจ้าก็สอนว่ามันเกิดจากความหลงของเราเองที่ไปเห็นสิ่งต่างๆที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตา เป็นตัวเราเป็นของเราไปหมดเราม e ีอะไรก็ยึดว่าเป็นตัวเรามีน่างกายก็ยึดว่าเป็นตัวเรามีสามีมีภรรยาก็ยึดว่าเป็นของเรามีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองก็ไปยึดไปติดว่าเป็นของเราพอล่อยความยึดติดว่าเป็นเราเป็นของเราก็อยากก็ล่อยความอยากขึ้นมาทันทีอยากให้มันไม่จากเราไปอยากจะให้มันอยู่กับเราให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆ แต่ความเป็นจริงมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นบางทีมันยังไม่ทันจากเราไปแต่มันก็เปลี่ยนไปได้อยากสิ่งที่เคยให้ความสุขกับเรากลายเป็นสิ่งที่ให้ความทุกข์กับเราไปก็ได้เพราะมันเป็นของไม่เทีย่ยมเช่นสามีภรรยาเราเคยให้ความสุขกับเรามาวันดีคืนดีเขาอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้เปลี่ยนจากเป็นคนที่เอาอกเอาใจเราดูแลเรา จับไม่ดูแลเราไม่สนใจไม่เอาอกเราใจเราพอเขาเปลี่ยนไปเท่านั้นเองความทุกข์ใจก็ตามมาทันทีพอเราไปยึดไปติดไปถือว่าเขาเป็นเราเป็นของเราเราสั่งเขาได้หรือเปล่าละเราสั่งให้เขาเอาอกเราใจเรารักเราชอบเราดูแลเราให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวได้หรือไม่ก็ไม่ได้วันดีคืนดีเขาก็เปลี่ยนไป เราเขาเปลี่ยนไปเขาก็ทําให้เราทุกข์ใจเสียใจแต่ถ้าเรารู้ไว้ก่อนตามคําสอนของพระเจ้าแล้วไม่ไปยึดไปถือว่าเป็นเป็นของเราแล้วก็ไม่ไปหวังอะไรจากเขาเพราะเราหวังไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะให้อะไรเราบางวันเขาก็ดีสามวันดีสี่วันไข่สี่วันไข่เงี้ยวันที่ดีเขาก็ให้ความสุขกับเราวันที่เขาไม่ดีเขาก็จะให้ความทุกข์กับเรา อันนี้คือสิ่งที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามารถที่จะช่วยเราได้สามารถให้เราสอนให้เราเปลี่ยนทัศนคติจากการมองสิ่งต่างๆว่าเป็นอนัตเป็นอัตตาว่าเป็นตัวเราเป็นของเราให้มองให้เห็นว่าเขาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นเหมือนก้อนเมฆเป็นเหมือนใบไม้ใบไม้ที่ที่อยู่บนต้นไม้มันก็ไม่เที่ยง ตอนต้นมันก็โผลออกมาจากกิ่งกิ่งไม้เป็นใบเล็กๆเป็นสีเขียวเล็กๆแล้วค่อยๆจเจริญเติบโตจนเป็นใบใหญ่เป็นสีเขียวใบใหญ่ไปต่อไปก็สีใบไม้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลแล้วในที่สุดมันก็จะหลุดลงจากกิ่งตกลงมาบนพื้นดินพอตกลงมาพื้นดินทิ้งไว้สักระยะมันก็จะผุพังกลายเป็นดินไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้เป็นอนิจจัง มีวัตจักรมีมีวงจรของการเกิดของการเกิดการเจริญการเส่อมแล้วก็การสิ้นสุดลงของมนุษย์เราก็เรียกว่าเกิดแก่เจ็บตายของใบมงใบไม้ของก้อนเมฆก็เป็นสิ่งที่มีการเจริญมีการตั้งอยู่แล้วในที่สุดก็มีการดับไปไม่มีอะไรยกเว้นทุกสิ่งในโลกทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีการเกิดมีการตั้งอยู่แล้วมีการดับไปเหมือนกันหมด เพียงแต่ว่าระยะเวลาของการเสื่อมนี่มันอาจจะต่างกันบางอย่างอาจจะใช้เวลาเป็นเป็นปีๆเป็นร้อยปีพันปีก็ได้แต่ไม่ช้าก็เร็ววันมันหนึ่งมันก็จะต้องถึงถึงจุดสิ้นสุดของมันแม้แต่โลกใบนี้ที่เราอยู่กันนี้มันก็เป็นอ น, นิจจังเป็นอนัตตาเหมือนกันเป็นเป็นอ น, นิจจังเหมือนกันเป็นของไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นมาได้จากภพเหตุปัจจัย ที่เรายังไม่รู้กันแล้วันหนึ่งมันก็จะหมดมันก็จะแตกสลายและเบิบกลายเป็นเสียงเสียงไปเพราะนี่เป็นธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้ถ้าเราไปอยากให้เขาอยู่คงเส้นคงวาอยู่ไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเราก็จะต้องทุกข์ใจเวลาที่เขาไม่สามารถอยู่ได้แล้ว นั้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจเราก็ต้องยอมรับความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ว่าเขาเป็นของไม่เที่ยงมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเขาเป็นอนัตตาเขาเป็นปรากฏการทางธรรมชาติมีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้เขาเกิดให้เขาตั้งอยู่แล้วก็ให้เขาดับไปถ้าเรามีความรู้อย่างนี้เราสามารถสอนใจให้รับความจริงอย่างนี้ได้เราก็จะ ไม่ทุกข์กับอะไรความทุกข์ต่างๆก็จะหมดไปเหนั้นการที่เราจะทำให้ใจเราไม่ทุกข์ได้นั้นนอกจากการมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเราต้องมีที่พึ่งทางใจอีกส่วนหนึ่งที่พึ่งทางใจส่วนที่สองนี้เราเรียกว่าอัตตาหิอัตโนนาถโถตนเป็นที่พึ่งของตนคือเราจะต้องเป็นผู้ศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังศึกษาเพื่อให้เห็นความจริงของ คำสอนของพุทธเจ้าว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้อยู่ยภายใต้กฎของไตรลักษณ์กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นไม่มีอะไรยกเว้นทุกอย่างเป็นสิ่งที่เป็นของเชั่อคามีเกิดแล้วก็มีดับไปเป็นธรรมดาถ้าไปอยากให้เขาไม่ดับก็จะเกิดความทุกข์ใจเกิดความเสียใจขึ้นมาแล้ววิธีที่จะทําให้เราไม่อยากเราก็จะต้องไปปฏิบัติ สร้างเครื่องมือขึ้นมาเพราะตอนนี้เราไม่สามารถห้ามจะหักห้ามใจเราได้ไม่สามารถหักข้ามความอยากของเราได้ดนนเราตอนนี้ทุกคนมีความอยากไม่แก่กันทุกคนมีความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากเป็นโรคมะเร็งไม่อยากจะเป็นโรคตับโรคไตไม่อยากจะเป็นโรคหัวใจไม่อยากจะเป็นโรคความดันกันแต่เราก็ ไม่สามารถห้ามความอยากนี้ได้พอร่างกายเราเกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาความทุกข์ใจก็เกิดขึ้นมาความทุกข์ใจนี้ไม่ได้เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บแต่เกิดจากความอยากไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมาหรือเกิดจากความอยากให้โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นนี้หายไปแต่โรคภัยไข้เจ็บนี้มันไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจคาสั่งของเรา นั่งกายมันไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจคำสั่งของเรามันอยู่ภายใต้คำสั่งของอนิจจังของอนัตตาอ น, นิจจังก็คือมันต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาอนัตตาคือเหตุที่ทำให้เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับได้แต่สิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ก็คือใจของเราใจของเรานี้เราสามารถ ให้ใจของเราไม่ท <lad> ุกข <ged> ์กับโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายได้ถ้าเราสามารถยับยั้งความอยากไม่แก่ความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยได้หรือความอยากให้โรคภัยไข้เจ็บหายไปถ้าเรายังไม่สามารถยับยั้งได้ความอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไม่อความอยากให้ร่างกายไม่เจ็บความอยากให้ร่างกายหายจากเจ็บไข้นั่นป่วย เราก็จะสร้างความทุกข์ใจให้กับเราดัางนั้นเหมือนเป็นหน้าที่ของเราอัตตาเหตุตนณโนวาทโถนี่หมายถึงเรามีหน้าที่ที่เราจะต้องมาดับความทุกข์ด้วยตัวของเราเองเพราะพุทธเจ้าพระอริยสงสารโลกนี้ท่านดับความทุกข์ของใจของท่านได้แล้วแต่ท่านไม่ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ทางใจของเราได้ถ้าดับได้พวกเราก็สบายกันไปไปนิพพานกันหมดแล้ว พอมาเจอพระพุทธเจ้าเจอพระธรรมคําสอนเจอพระอริยสง์สาวกเราก็ถือเป็นสาณะเป็นที่พึ่งพอถือปั๊บนี่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะสามารถมาทําให้ความทุกข์ต่างๆที่มีในใจของเราให้หายหมดสิ้นไปมันเป็นไปไม่ได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่สามารถมาดับความทุกข์ของใจของเราได้ เราต้องเป็นผู้ดับความทุกข์ของใจด้วยตัวเราเองด้วยอัตตาหิอัตโนนาโถพุทธังธรรมังสามั ง, งสานังกาชามินี้เป็นเพียงผู้สอนผู้บอกวิธีการดับความทุกข์ให้กับเราเท่านั้นแต่ผู้ที่จะต้องดับความทุกข์นี้ต้องเอาคําสอนที่เราได้เรียนรู้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้มาปฏิบัติเมื่อมาปฏิบัติแล้วเราก็จะสามารถที่จะยุติดับความทุกข์ต่างๆให้หมดซึ่งไปจากใจได้ ใ น, นที่พึ่งทางใจจึงต้องมีสองส่วนเนึ่งส่วนหนึ่งก็คือผู้สอนส่วนที่สองก็คือผู้ปฏิบัติผู้สอนก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้กำจัดความทุกข์ต่างๆของของท่านให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วท่านก็มีประสบะการ์มีความรู้ที่จะสามารถเอาความรู้อันนี้มาสอนผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ แต่ถ้ายัางตัวท่านเองยังไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ก็ยังไม่ถือว่าท่านเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงถ้าเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงนี้ต้องสามารถดับความทุกข์ของใจให้หมดสิ้นไปได้ก่อนถึงจะค่อยมาเป็นผู้สั่งสอนผู้อื่นต่อไปได้ถ้าความทุกข์ของตัวเองยังดับไม่ได้ไม่ควรที่จะไปสอนผู้อื่นก่อนไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็น เป็นผู้คลองเป็นคาราวาสผู้ครองเนินก็ไม่สมควรที่จะไปตั้งตัวเป็นครูเป็นอาจารย์หน้าที่หลักของการที่จะก่อนที่จะมาเป็นครูบาอาจารย์ได้นั้นต้องสามารถกำจัดความทุกข์ของตนเองให้หมดสิ้นไปให้ได้ก่อนต้องบรรลุถึงธรรมขั้นสูงสุดให้ได้ก่อนคือบรรลุถึงขั้นพระอรหัส ต, ตผลสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้แล้ว ถ้ายังเป็นเพียงพระอริยบุคคลขั้นอื่นอยูย่ยังไม่สามารถดับความทุกข์ทางใจทั้งต่างให้หมดสิ้นไปได้ถ้าเอาเวลาไปสั่งสอนผู้อื่น<ม>ก็จะไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติมากำจัดความทุกข์ที่ยังมีหลงเหลืออยู่ในใจของตนให้หมดสิ้นไปได้<ม>ถึงแม้เป็นพระโสดาบันก็ไม่ควรเป็นไม่ควรไปตั้งตัวเป็นพระเป็นครูเป็นอาจารย์<ม>เป็นพระสกิาคา ม, มีก็ยังไม่ควรที่จะไป เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นพระอนาคามีก็ยังไม่ควรไปเป็นครูเป็นอาจารย์เพราะว่างานของตัวเองยังไม่หมดถ้าเป็นนักศึกษาก็ยังเรียนไม่จบถ้ายังเป็นนักศึกษาปีหนึ่งปีสองอยู่นี้อย่ากพึ่งไปเอาวิชาที่เรียนจากปีหนึ่งปีสไปสอนผู้อื่นก็ยังเป็นวิชาที่ไม่ครบบริบูรณ์ยังไม่สามารถทาประโยชน์ให้กับผู้ที่มาศึกษาได้อย่างเต็มร้อย แล้วก็จะทำให้ตนเองนี้หยุดชะงักในการที่จะศึกษาของตนเองไปพอเรียนได้จบพอจบปีสองก็ไปสอนคนนู้นทางคนนี้ไปตั้งเป็นครูเป็นอาจารย์ขึ้นมาไม่ไปเรียนหนังสือต่อไม่ไปเข้าโรงเรียนไม่เข้าห้องเรียนก็จะได้แค่ความรู้ระดับปีสองทานั้นความรู้ระดับปีสาปีสี่ก็ยังจะไม่ได้ดังนั้นถ้าเรายังเรียนไม่ครบสูตรยังไม่ได้ครบ หลักสูตรของปริญญาอยากเพิ่งไปตั้งตัวเป็นครูเป็นอาจารย์ขอให้เราตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนให้จบก่อนถ้าเป้าหมายของเราอยากจะจบปริญญาตรีเราก็เรียนให้จบปริญญาตรีก่อนแล้วเราค่อยไปทำหน้าที่เป็นครูสอนได้<ม>ในทางธรรมะก็เช่นเดียวกันการที่เราจะไปเป็นครูเป็นอาจารย์<ม>ให้แก่ผู้อื่นได้นั้น เบื้องต้นเราต้องเป็นครูอาจารย์ให้กับตัวเราเองให้ได้ก่อนเราต้องสอนตัวเราเองให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงก่อนให้กำจัดความทุกข์ที่มีอในใจให้หมดสิ้นไปก่อนแล้วค่อยเป็นครูเป็นอาจารย์ถ้าเราเพียงแต่กำจัดความทุกข์ได้เพียงบางส่วนเช่นเป็นพระโสดาบันกาจัดได้บางส่วนแล้วเราก็เอาเวลาไปสอนคนอื่น เราก็จะไม่มีเวลามาสอนตัวเราเองไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติเพื่อที่จะทำให้ความทุกข์ที่ยังหลงเหลือที่ยังมีหลงเหลืออยู่ในใจนี้ให้มันหมดสิ้นไปเราก็จะติดอยู่ตรงนั้นแทนที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอเช่นพระโสดาบันก็อาจจะต้องกลับมาเกิดอีกอยอะมีเจ็ดภพเจ็ดชาติด้วยกัน ถ้าเป็นพระสกิดาคา ม, มีก็ยังต้องกลับมาเกิดเองหนึ่งพบนี่เองหนึ่งชาติชาติของมนุษย์นี่ถ้าถ้าเป็นพระนาคา ม, มีก็ยังต้องไปเกิดเป็นพรมอยู่อกีกแต่ถ้าได้เป็นพระอาหารแล้วนี้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนั้นคันที่เราจะตั้งตัวเป็นครูอาจารย์ในทางในทางกําจัดความทุกข์ของใจในทางพุทธศาสนานี้ ยังไม่นิยมที่จะมาตั้งตัวเองเป็นครูเป็นอาจารย์ถ้าตัวเองยังไม่ได้สอนให้ตัวเองได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรพราะพุทธเจ้านี่ตลอดระยะเวลาที่ทรงบำเพ็ญอยู่หกปีได้ฌานได้สมาบัติได้อะไรต่างๆแต่ยังไม่หลุดพ้นยังไม่ได้หลุดพ้นเป็นพระอารหรันต์พระองค์ก็เลยไม่สนใจที่จะไปสอนใครองค์มุ่งไปสู่การ ศึกษาค้นคว้าหาเหตุหาผลของการที่จะทําทให้จิตใจได้หลุดพ้นจากความทุกข์ก่อนและปฏิบัติไปจนในที่สุดก็ได้บรรลุตัดทะลุเป็นพระอารหันต์ตัสา ม, มาสามพุทธเจ้าขึ้นมาหลังจากที่ได้ตัดทะลุเป็นพระอารหันตัดเป็นพระอารหันตัดสัมมาสามพุทธเจ้าแล้ว ใ, ในเบื้องต้นก็ไม่มีความอยากจะสอนใครเพราะความอยากที่มันมีอยู่ในใจมันถูกกําจัดไปหมด แม้แต่ความอยากสอนมันก็เป็นกิเลสได้ท่านก็เลยไม่มีความอยากจะสอนใครอยู่เฉยๆสบายกว่านอกจากว่าถ้ามีใครมาศึกษามาขอความรู้จากท่านท่านก็จะให้ให้ความรู้ไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ความอยากจะสอนใครไม่มีนะในใจของพระอาหาันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้นอกจากไม่มีความอยากสอนแล้วยังมีความ เกิดความไม่มีท้อแท้เกิดความไม่มีกำลังใจที่อยากจะสอนใครพอรู้ว่าการจะสอนให้คนดับความทุกข์ได้นี้ไม่ใช่เป็นของง่ายและการปฏิบัติที่จะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์นี้ก็ไม่ใช่เป็นของง่ายและคนที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์จริงๆก็ไม่ใช่มก็ไม่มีมากคนส่วนใหญ่นี้อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์จะอยากจะหลุดพ้นแบบง่ายๆเช่นไปขอพรเนี่ย ไปกาบพระสามหุดทูบเทียนสามดอกขอพรจากสิศักดิ์สิทธิ์ขอให้ไม่ขอให้ไม่ไม่ทุกกับความเจ็บไข้ได้ป่วยขอให้ไม่ทุกกับความตายมันเป็นไปไม่ได้พระองค์ทรงเห็นว่าคนที่อยากจะเรียนก็มีน้อยคนคนที่อยากจะสอนก็ไม่อยากจะสอนก็เลยตอนต้นก็เลยก็เลยไม่ไม่คิดว่าจะไม่สอนใครดีกว่า แต่ต่อมาเมื่อท้าวมาหาพรหมได้ยินเข้าว่าพระพุทธเจ้าจะไม่สอนธรรมะเพื่อช่วยสัรร์โลกให้หลุดพ้นจากความทุกข์ก็เลยมากราบอาราธนาขอพระความเมตตากรุณาของพระพุทธเจ้าให้โปรดได้พิจารณาอย่างรอบคอบอีกสักครั้งหนึ่งเถิดเพราะผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ผู้ที่อยากจะปฏิบัติก็มีอยู่ถึงแม้ว่าจะมีจํานวนน้อยแต่ก็มีอยู่ขอให้พระองค์อย่าทอดทิ้งบุคคลเหล่านี้ไป หลังจากที่ผู้เจ้าได้ยินแล้วก็นำมาค่ายคนพิจารณาก็เลยสามารถแยกแยะคนที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกขนี้เป็นบัวสี่เหล่าได้คนที่มีอยู่ในโลกนี้มีอยู่สี่ชนิดด้วยกันคนที่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างง่ายดายรวดเร็วเพียงฟังธรรมครั้งเดียวก็หลุดพ้นได้นั่นก็คือบัวที่อยู่เหนือ น, น้ําบัวที่อยู่โผลขึ้นมาจากน้ํา ก็รอให้ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ทนั้นเองก็จะบานขึ้นมาพวกนี้ก็เป็นเหมือนจิตใจที่มีสมาธิมีศีลที่บริสุดแต่ขาดปัญญาแสงสว่างแห่งธรรมที่มีพระพุทธเจ้าเพียงผู้เดียวที่รู้แสงสว่างแห่งธรรมคืออริย ส, สัจสีตายลักษ์ที่เป็นเครื่องมือที่จะทำให้กำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้พ อ, อ บุคคลเหล่านี้ที่เป็นพวกบัวเหนือน้านี้พอได้ยินได้ฟังธรรมจากพระเจ้าเพียงครั้งเดียวก็าสามารถบรรลุบรรลุขึ้นมาเป็นพระอริยะบุคคลขั้นต่างๆได้ทันทีพวกนี้มีน้อยมากมเป็นพวกที่เป็นพวกนักบวชเป็นพวกที่รักษาศีลได้สะอาดบริสุดเป็นพวกที่บำเพ็ญความเพียรคือฝึกสมาธินั่ง นั่งสมาธิเข้าฌานในระดับต่างๆได้พวกนี้ขาดเพียงปัญญาเท่านั้นเพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทําให้ใจทุกข์เพราะพระเจ้ามาทรงแสดงเหตุที่ทําให้ใจทุกข์ก็คือตัณหาความอยากต่างๆและเหตุที่จะทําให้ใจหายทุกข์ก็คือปัญญาคือให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจอยากได้นั้นเป็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขพอรู้ว่าสิ่งที่อยากได้เป็นทุกข์ก็ ก็ไม่อยากจะได้ขึ้นมาทานันทีก็หยุดความอยากได้ น, นี่เป็นกลุ่มแรกที่พระเจ้าได้ทรงแยกแยะว่าพวกนี้เป็นพวกที่มีโอกาสมีมีโอกาสมากที่สุดในการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเพราะเขามีเครื่องมือก็มีศีลที่บริสุทธิ์เขามีสมาธิจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่ในความสงบ สามารถใช้ความสงบนี้ระงับความอยากได้ถ้ารู้ว่าความอยากเป็นตัวเหตุที่ทําให้ใจทุกข์และรู้ว่าสิ่งที่ใจอยากนั้นก็เป็นทุกข์เหมือนกันเช่นอยากได้ลาบยศสารเสริญสุขนี้มันก็เป็นทุกข์เพราะลาบยศสารเสริญสุกมันก็เป็นของไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงเมืนอพอมันจากสุกมันก็จะกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาได้หอหรือมองเห็นว่าร่างกายนี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกัน เกิแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย <S <s ถ้าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะทําให้เกิดความทุกข์ใจถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็อย่าไปอยากมันอยู่เฉยๆอยู่กับร่างกายไ ป, ไปเฉยๆร่างกายแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ปล่อยมันเจ็บไปร่างกายจะตายก็ปล่อยมันจะตายไปถ้าใจอยู่เฉยๆกับมันได้ใจก็จะไม่ทุกข์กับมันจะอยู่เฉยๆได้ก็ต้องมีศีลที่บริสุทธิ์ มีสมาธิที่อยู่ในระดับอบปปนาสมาธิคือในระดับฌานที่4ี่ขึ้นไป น, นี่คือการพิจารณาองพรอาจารย์บุคคลต่างๆที่สามารถที่จะรับธรรมะคาสอนนั้นประเสริฐได้พวกแรกนี้ก็เห็นว่าเป็นพวกที่มีความสามารถมากที่สุดตอนแสดงธรรมโปรบทพวกบวชโปรสัร์เป็นครั้งแรกก็แสดงธรรมให้กับพวกนักบวชทั้งนั้น เริ่มตอนที่พระปัญจวัคคีย์หลังจากสอนให้พระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้แล้วท่านก็ตรงไปตุศไปตรงไปสอนตามสำนักของของนักบวชทั้งหลายพอแสดงธรรมเสร็จนักบวชที่อยู่ในสำนักที่มาฟังธรรมพร้อมๆกันก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้พร้อมๆกันเลยอันนี่คือบัวเหล่าที่หนึ่งบัวเหนือน้ําคือเป็นพวกนักบวชนักบวชที่มีศีลบริสุทธิ์ ที่มีฌานที่สามารถทำจิตให้สงบเข้าสมาธิเข้าฌานได้ก็ mm hmm. จะเป็นผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากแสงสว่างแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว mm hmm. ต่อมาท่านก็ทรงพิพพจารณากลุ่มที่สองกลุ่มที่เป็นเหมือนกับบัวที่ยังปิ่นน้าอยู่บัวที่ยังอยู่ภายใต้ผิวน้าแต่กำลังจะโผล่ขึ้นมารอวันเวลาสักวันสองวัน ก็บัวบัวที่อยู่ปิมน้ํานี้ก็จะงอกเงยขึ้นมาทั้งข้อบ่งเทีย บ, บุคคลเหล่านี้ว่าเป็นพวกที่เป็นนักบวชมีศีลที่บริสุทธิ์แต่ยังไม่ได้สมาธิยังไม่ได้ชาญยังฝึกสมาธิยังฝึกฌานอยู่ดงนั้นเวลาจะสอนพวกนี้ต้องสอนวิธีเข้าฌานก่อนต้องสอนวิธีเจริญสติในสติปัฏฐานสูตรก็ทรงสอนให้เจริญสตินั่งสมาธิอานาปานาสติไปก่อน พอจิตรวมเป็นสมาธิได้ชายแล้วถึงค่อยสอนทางปัญญาสอนทางอริยสัจจิสอนทางตายรักต่อไปพวกนี้ก็ต้องใช้เวลาระยะเวลาน่อยไม่เกินไม่เกินเจ็ดปีพวกนี้เจ็ดวันเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปีหเว้าบอกว่าเขาสามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้พวกนี้เราเรียกว่าเป็นพวกบัวเหล่าที่สองเป็นพวกนักบวชไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายนักบวชก็เป็นภิกษุ ผู้หญิงก็เป็นภิกษุณีสมัยพุทธกาลนี้มีนักบวชทั้งผู้หญิงและทั้งผู้ชายแต่ในยุคปัจจุบนันนี้นักบวชที่เป็นผู้หญิงนี้มันหายไปแล้วเพราะไม่มีใครมาบวชกันแล้วจะกลับมาบวชใหม่ก็บวชไม่ได้แล้วเพราะว่ามันไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่พระเจ้าได้ทรงกําหนดไว้เพราะการจะบวชภิกษุณีได้นี้จำเป็นจะต้องมีภิกษุณีเป็นผู้บวชให้แล้วต้องมีภิกษุสงฆ์ที่เป็นผู้ชายมารับรองอีกทีนึงถึงจะบวชเป็นภิกษุณีได้ ซึงในสมัยนี้เมื่อไม่มีพิกษุณีสงแล้วก็ไม่สามารถที่จะบวชพิกษุณีได้แต่แต่ก็ยังสามารถปฏิบัติได้ในในรูปแบบของนักบวชในรูปแบบอื่นเช่นเป็นแม่ชีแม่ชีก็สามารถรักษาศีลให้บริสุทธิ์ฝึกหัดสตินั่งสมาธิเข้าฌานให้ได้ถ้าฝึกหัดสติเข้าสมาธิเข้าฌานได้พอมาศึกษาทางปัญญาเข้าใจอริยสัจสี่เข้าใจไตรลักษณ์ก็สามารถบรบรลุหลุดพ้นจากความทุกด้เช่นเดียวกัน พวกนี้เป็นกลุ่มที่สองที่จะต้องใช้เวลาหน่อยคือไม่ถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจดปีถ้ามีการศึกษามีการปฏิบัติก็จะสามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วก็มากลุ่มที่สามกลุ่มพวกนี้ก็คือกลุ่มที่ยังไม่ได้เป็นนักบวชแต่มีสัจจิตศรัทธามีความเนื่องใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือเป็นคารวะผู้คองเรือน ผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในการไม่กระทำบาคือรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์แล้วก็ทําบุญทําทานตามโอกาสตามกำลังไปส่วนในวันพระก็จะมาฝึกฝึกถือศีลแปดมาฝึกเจริญสตินั่งสมาธิมาฝึกภาวนาตรงนี้เป็นกลุ่มที่สามที่เป็นบุคคลที่ยังสามารถสอนให้เข้าใจให้สามารถเข้าถึงพระธรรมมันประเสริฐได้ พราะถ้าเป็นค า, ารวะแต่เข้าวัดอยู่บ่อยๆมาฟังเทศฟังธรรมอย่างที่ญาติอ ย, อยู่มาฟังกันอยู่นี้ถ้ามาฟังกันทุกอาทิตย์แล้วนํำมาไปปฏิบัติอาทิตย์หนึ่งต้องมีวันพระหนึ่งวันวันปฏิบัติธรรมถ้าคือไม่ทําภารกิจอย่างอื่นให้เอาวันนี้มาเป็นวันที่เราจะปฏิบัติธรรมเพียงอย่างเดียวคือจเจริญสตินั่งสมาธิถือศีลแปถ้าทําอย่างนี้ได้ จิตก็จะสามารถเข้าสู่สมาธิได้เป็นพักๆเป็นบางครั้งบางคราวมันก็จะทําให้เกิดมีศรัทธาที่จะปฏิบัติให้เพิ่มมากขึ้นก็อาจจะเพิ่มวันปฏิบัติจากอาทิตย์ละวันเป็นสองวันเป็นสามวันบางทีมีเวลาว่างหลายลวันก็ไปอยู่วัดปฏิบัติทีเจ็วันบ้างสิบห้าวันบ้างก็ได้ถ้าเริ่มมีการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นกําลังของสติกําลังของสมาธิก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆ เมื่อมีกําลังสติกำลังสมาธิมากขึ้นไปเรื่อยๆก็จะสามารถกําจัดความอยากต่างๆที่มีในใจให้ลดน้อยถอยลงไปได้ตามลําดับเมื่อความอยากลดน้อยถอยลงไปความทุกข์ที่มีในใจก็ลดน้อยถอยลงไปตามลําดับจนถึงขั้นที่เกิดอยากกิอยากจะปฏิบัติเต็มเต็มเต็มรูปแบบเต็มที่อยากจะปฏิบัติทุกวันทุกเวลาทุกนาทีที่ตื่นขึ้นมาก็จะสละชีวิตของคารวะไปเพื่อไปบวช เพราะว่าเมื่อเป็นนักบวชแล้วก็จะได้มีเวลาให้กับการปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ก็เป็นการเลื่อนระดับของบั ว, บ, วบัวเหล่าที่สามนี้เป็นบัวที่อยู่กลางน้ำยังต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำได้จากคารวะก็ต้องมาเป็นนักบวชก่อนจากนักบวชมาก็ต้องฝึกสติฝึกสมาธิให้ได้ชาญก่อนถึงจะกลายเป็นบัวที่อยู่เหนือน้ำได้นี่คือบุคคลสามกลุ่มด้วยกันที่พระเจ้าทรงเห็นว่า สามารถสอนให้บรรลุทำได้แต่อาจจะต้องใช้เวลามากน้อยต่างกันเพราะอินทรีย์หรือความกําลังของจิตที่จะปฏิบัติตามคําสอนนั้นมีมากน้อยไม่เท่ากันนั่นเองแล้วก็มาพิจารณากลุ่มที่เหลืออยู่อีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าบัวเหล่าที่สี่พวกนี้ก็เป็นเหมือนบัวที่อยู่พื้นที่ยังพึ่งโผล่ขึ้นมาจากโคลนตมพึ่งโผล่ขึ้นมาแต่โอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาอยู่เหนือน้ํานี่มีน้อยมากเพราะว่า จะถูกพวกบูปรากัดกินเป็นอาหารไปเสียส่วนใหญ่พวกนี้พระเจ้าก็ทรงเห็นว่าเป็นพวกที่เสียเวลาสอนไปก็ไม่เกิดประโยชน์โดยพวกที่ไม่มีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีศรัทธาเชื่อว่าความทุกข์ของใจของตอนนี้สามารถที่จะกําจัดได้ด้วยการศึกษาล้ําลือนจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และปฏิบัติตางําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พวกนี้จะใช้วิธีดับความทุกข์ใจด้วยการเจตการเป็นต้น ถ้ามีความทุกข์ใจก็ไปไปเที่ยวกันไปช้อปปิ้งกันไปดูหนังฟังเพลงกันก็จะสามารถดับความทุกข์ใจได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่จะไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้อย่างถาวรไปเที่ยวกลับมาเดี๋ยวไม่นานความทุกข์ใจก็โผล่กลับขึ้นมาใหม่พอคิดถึงโรคมะเร็งปั๊บนี่ความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวหายไปหมดเลยความทุกข์ใจกลับมาเหมือนเดิมอยู่พวกนี้เขาไม่เชื่อในเรื่องของการ ใช้ธรรมะเป็นเครื่องดับความทุกข์ใจเขาไม่เชื่อในเรื่องของการถือศีลปฏิบัติธรรมภาวนาบำเพ็ญจิตตภาวนาตรงนี้สอนไปก็เสียเวลาเพราะเป็นเหมือนบัวที่อยู่ตามโคลนตมที่จะกลายเป็นอาหารของปูของปลาไปอาหารของปูปลาก็คือกิเลสตัณหานั่นเองจะกลายเป็นอาหารของกิเลสตัณหากิเลสว่าอยากจะดับความทุกข์ต้องไปเที่ยวกันต้องไปชอปปิ้งกันต้องไปซื้อของฟุ่มเฟือย ต้องไปอยู่แบบหรูหลาแล้วความทุกข์ใจต่างๆที่มีอยู่จะหายไปแต่มันหายได้เพียงชั่วคราวเพราะสิ่งเหล่า น, นี้เป็นของไม่เที่ยวพองเงินหมดเมื่อไหร่ความทุกข์ใจก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีอั น, นี้ก็หลังจากที่พระเจ้าได้ทรงพิจารณาบุคคลที่จะมารับภังธรรมและทรงสามารถแยกออกให้เป็นบัวสี่เหล่าได้พระองค์ก็เลยมีกําลังใจที่จะสอนธรรมะให้กับ กับสัตว์โลกโดยแรงเป้าหมายไปสอนในสอนกลุ่มหน้าก่อนพวกสอนพวกที่เป็นบัวเหนือน้ําก่อนเพราะว่าหลังจากที่เขาบรรลุแล้วเขาก็จะได้มาช่วยเป็นอาจารย์ต่อไปนั่นเองพอไปสอนใครให้บรรลุเป็นพระหลา์ได้เขาก็จะขอบวชเป็นพระแล้วหลังจากบวชเป็นพระพระเจ้า ก, ก็บอกว่ า, าจงไปเผยแผ่ธรรมะที่พวกคุณได้ศึกษาได้เรียนได้สําเร็จมาแล้วให้เป็นประโยชน์สุขกับผู้อื่นต่อไป เวลาใครมามาบวชเป็นพระหารแล้วมาบวชพราเจ้าก็จะพูดแบบนี้บอกว่าให้ไปสอนผู้ต่อไปแล้วอย่าไปกระจุกตัวอยู่ในทิศทางเดียวกันให้แยกกันไปถ้าถ้ามามาบวชห้าคนก็เวลาจะไปสั่งสอนเผยแผ่ธรรมก็ให้แยกไปกัน4ี่ห้าทิศไปคนละทิศคนละทางเพื่อธรรมะคําสอนนี้จะได้เผยแผ่ไปได้อย่างกว้างขวางต่อไปนี่แหละคือที่มาของ ของการเป็นครูบาอาจารย์ทางสายพระพุทธศาสนาท่านส่วนใหญ่มักจะทํางานของท่านสำเร็จก่อนท่านต้องบรรลุเป็นพาาาระอรหันต์ก่อนแล้วท่านถึงจะไปสอนผู้อื่นต่อไปเพราะท่านมัวแต่ไปสอนผู้อื่นทั้งๆ ท, ท, ที่ตัวเองยังไม่ไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ความทุกข์ที่ยังมีอยู่ในใจก็จะไม่หมดไปจากการไปสั่งสอนผู้อื่นแล้วจะทให้เสียเวลาเสียโอกาสแล้วดีไม่ดีเกิดมีอุบัติเหตุเกิดมีโรคภยัยไข้เจ็บต้องตายไป โอกาสที่จะกำจัดความทุกข์ทางใจให้หมดสิ้นไปก็สิ้นสุดลงนะเพราะเมื่อตายไปแล้วก็ไม่สามารถปฏิบัติต่อไปได้ดันะงนั้นในทางธรรมเนียมของของทางพระพุทธศาสนานี้ตามที่พูุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญมานี้ส่วนใหญ่จะต้องบรรลุเป็นพระอรหันต์ก่อนเมื่อบรรลุเป็นพระอรหารแล้วถึงค่อยไปตั้งตัวเป็นครูเป็นอาจารย์ เพราะว่างานของตนเองได้สำเร็จอย่างเต็มร้อยแล้วไม่มีงานที่ต้องทำอีกต่อไปไม่มีความทุกข์ที่จะต้องกาจัดอีกต่อไปไม่มีกิเลสตัณหาที่จะต้องกำจัดอีกต่อไปไก็กกปมีเวลาว่างเวลาว่างจากการปฏิบัติอุสิตังบ ร, รมจรียังผู้ที่ได้หลุดพ้นจากความทุกขามักจะพูดคานี้อุสิตังบ ร, รมจรียังกิจในพรหมจารย์ให้ได้เสร็จสิ้นเสร็จสิ้นลงแล้ว ไม่มีกิจที่ต้องทําอีกต่อไปไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องเจริญปัญญาไม่ต้องรักษาศีลศีลก็เป็นศีลธรรมชาติไปไม่คิดขี้ระบาเบียดเบียนใครอีกต่อไปสมาธิก็เป็นธรรมชาติจิตนิ่งสงบของมันไม่ต้องไปสั่งให้มันนิ่งปัญญาก็เห็นความจริงตลอดเวลาเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเห็นารยสัจสีตลอดเวลาบุคคลแบบนี้แหละจึงเป็นผู้ที่เหมาะสมต่อการเป็นครูเป็นอาจารย์ สั่งสอนผู้ได้อย่างเต็มที่และธรรมะที่สั่งสอนก็จะเป็นธรรมะที่ทำแท้ทำที่ไม่ใช่มีความหลงมามามาเจือปนด้วยความหลงก็คือความไม่รู้ความจริงอย่างชัดเจนนั่นเองนี่คือสิ่งที่บุคคลที่ต้องการจะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจนี้จำเป็นที่จะต้องมีเบื้องต้นก็ต้องมีสารณะที่เพึ่ง ที่เป็นครูเป็นอาจารย์ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่าไปศึกษาจากบุคคลที่ไม่ใช่เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าคําสอนของเขานี้จะไม่สามารถดับความทุกข์ได้ต่อให้ไปเรียนมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยก็ตามหรืออันดับหนึ่งของโลกก็ตามความรู้ที่เขาสอนนี้ไม่สามารถนำเอามาใช้ในการดับความทุกข์ทางใจได้คนที่จบด็อกเตอร์จากระดับมหาวิทยาลัยลำดับหนึ่งของโลกก็ยังต้องน้องหมน้องห้ ยังเศร้าโศกเสียใจยังหวาดกลัวกับความแก่ความเจ็บความตายอยู่เพราะวิชาที่เขาเรียนรู้มานี้ไม่สามารถมาดับความทุกข์ทางใจของเขาได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากต้องการที่จะดับความทุกข์ของใจให้หมดสิ้นไปเราต้องยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเป็นที่พึ่งของเราแล้วก็ต้องหาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นพระอรหันตสาวกมาเป็นคู่เป็น เป็นผู้สอนเราถ้าไม่สามารถหาพ้าหลนตสาโลได้ก็เข้าไปหาพระพุทธเจ้าผ่านทางพระไตปิดกก็ได้<ม>คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้45ปีด้วยกันนี้ถูกบรรจุเก็บไว้ในพระไตปิดก<ม>ถ้าเราศึกษาจากพระไตปิดก<ม>เราจะได้ควความรู้ร0อยปอร์เซนความรู้ที่สามารถนำมาดับความทุกข์ได้อย่างร้อยเปอร์เซนตไม่มีอะไรที่ต้องเครือบแกงสงสัยแต่อย่างใด ถ้าไปเรียนกับผู้อื่นเนี่ยไปเรียนกับพระที่เป็นตั้งตัวว่าเป็นครูเป็นอาจารย์แต่ไม่รู้ว่าท่านเป็นเป็นพระในระดับไหนเป็นพระธรรมดาเป็นพระผู้ชนพระผุถุชนเป็นพระโสดาเป็นพระไตรกะคาพระอนาคาหรือพระอรหันเนี่ยความรู้ที่เราจะได้จากท่านมันก็จะไม่สมบูรณ์นอกจากเว้นว่าถ้าท่านเป็นพระอรหันเท่นั้นแต่เราก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นพระอรหันหรือไม่สิ่งที่เรารู้ว่าพระ รู้ว่าเป็นพระอนันต์ก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นพระอนันต์ตสาวกเราก็ไปเรียนจากพระพุทธเจ้าเลยก็ได้พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสไว้ก่อนที่จะจากโลกนี้ไปว่าถึงแม้ว่าเราจะจากพวกเธอไปแล้วก็ตามแต่ตัวเราเองจริงๆนี่ยังอยู่กับพวกเธอต่อไปศาสดายังอยู่กับพวกเธอต่อไปศาสดาก็ครูอาจารย์อยู่ในรูปแบบไหนก็อยู่ในรูปแบบทำคําสั่งสอนที่ได้ทรงแสดงไว้ ตลอดระยะเวลา45ปีด้วยกันคำสอนต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงแสดงนี้มีการบันทึกกันมาไว้จดจำกันเอาไว้แล้วก็มาถ่ายทอดเป็นพระคำพีชื่อว่าพระไตปีดกถ้าอยากจะเรียนจากพระพุทธเจ้าก็ไปศึกษาจากพระไตปีดกได้ฉะงนั้นถ้าเราไม่สามารถหาพระอาหารหันต์ที่มีชีวิตอยู่มาสั่งสอนเราได้เราก็ไปหา คำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้มีการสังฆานามีการตรวจสอบอคำสอนของพระเจ้าว่าถูกต้องผิดตรงไหนถูกตรงไหนหรือไม่กันมาเป็นตามยุคตามสมัยมาตอนมีความที่มั่นใจว่าเป็นคําสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าสามารถนํำมาไปดับความทุกข์ใจได้ต้องยึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งเท่นั้นอย่าไปยึดถือผู้อื่นเป็นที่พึ่ง เพราะว่าเราไม่รู้ว่าความรู้ของเขานี้เขารู้มากในขนาดไหนถ้าเขารู้ไม่ถูกตัวเขาเองเมื่อถ้าตัวเขาเองยังดับความทุกข์ใจให้หมดสิ้นไปไม่ได้นี่แล้วความรู้ของเขานี่จะมาสอนให้คนอื่นดับความทุกข์ให้หมดสิ้นไปได้อย่างไรเขาต้องดับความทุกข์ของตัวของเขาเองให้หมดสิ้นไปก่อน <S <S เขาต้องเป็นพระอรหันตสาวก ข, ขึ้นมาก่อน <East. S 2> แล้วถึงจะสามารถมาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนให้ดับความทุกข์ได้อย่างแท้จริง งานบุคคลที่เราต้องยึดถือเป็นครูอาจารย์ก็คือพระพุทธเจ้าและพระอาจานย์ตสาวกเท่านั้นแล้วเราจะไม่ผิดหวังเราจะได้ความเราจะได้ของแท้ของจริงร้อยเปอร์เได้ทำแท้ท100ํา้อยรซ็นตถ้าใจยังไม่สะอาด บ, บริสุทธิ์ยังมีกิเลสอยู่ทำของพระเจ้าที่สแสดงจากใจที่ยังมีกิเลสนี้จะไม่ได้เป็นทำทำแท้ทำร้อยเปอรซอาจจะเป็นทำาสิบหาเร์เซมั่งเกซ็นต์มั่งก็ง อ, อยู่กับปริมาณของกิเลสตัณหา ที่ยังไม่ได้ถูกกำจัดที่ยังมีอยู่ในใจอยู่กิเลสตัณหาที่ยังเหลืออยู่ในใจมันจะมาปนกับธรรมะคาสอนอนั้นอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าได้ดั<ม>งนั้นให้เลือกให้เลือกศึกษาจากคนที่จิตใจสะอาดบริรสุทธิ์หรัจากจากกิเลสตัณหาแล้วเมื่อเมื่อใจเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสตัณหาแล้วทำที่แสดงออกมาก็จะเป็นธรรมแทร้อยเปอร์ซนตถูกต้องร้อยเปอร์เซนสามารถนําเอาไปปฏิบัต ปฏิบัติเพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปได้อย่างแน่นอนอ น, นี่คือสาระที่พึ่งอันที่หนึ่งคือเราต้องยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้สั่งผู้สอนเราแล้วเมื่อเราได้ธรรมะมาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็ต้องมาพึ่งส่วนที่สองที่พึ่งส่วนที่สองก็คืออัตตาหิอัตโนนาโถเราต้องเป็นเราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเราต้องเป็นผู้ศึกษา เอาความรู้ที่เราได้ศึกษามาทบทวนมาพิจารณาอยู่อย่างเนืองเพื่อไม่ให้ลืมมาสอนใจว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นไตายักร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาร่วงพ้นความเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้สอนให้จิตใจยอมรับให้ได้ถ้าสอนแล้วใจยังไม่ยอมรับก็แสดงว่าใจยังมีกิเลสต่อต้านมีตันหาความอยากอยู่ก็ต้องใช้สติสมาธิเข้าฌานให้ได้ ยาราสตินั่งสมาธิจนจิตรวมเป็นสมาธนะิพอจิตมีสมาธิก็จะเกิดอุเบกขาขึ้นมาในใจวางเฉยได้พอจอ า, ากสมาธิมาพอสอนใจให้วางปล่อยวางร่างกายว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวลาแก่ก็ต้องปล่อยให้มันแก่เวลาเจ็บก็ต้องปล่อยให้มันเจ็บเวลาตายก็ต้องปล่อยให้มันตายถ้ามีอุเบกขาก็จะปล่อยวางได้พอปล่อยวางได้ใจก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย ไม่ทุกกับความเสื่อมของสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงใครจะใครจะจากเราไปก็ไม่เศร้าโศกเสียใจล้วจะสูญเสียอะไรไปก็ไม่เสียอกเสียดจเ<ม>พราะรู้อยูรอ่รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นของชั่วคราวไม่มีอะไรเป็นของที่ยั่งยืนถาวร<ม>ถ้าไปยึดไปติดไปอยากให้อยู่กับเรามันก็จะต้องเกิดความเศร้าโศกเสียใจเวลาที่เขาจากเราไป<ม>นี่ก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องทากันเองอัตติอัตโนโนาถตนเป็นที่พึ่งของตน ผู้อืไม่สามารถมาปฏิบัติให้กับเราได้เพราะพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติให้เราไม่ได้พระอรันตสาวกก็มาปฏิบัติให้เราไม่ได้ท่านเพียงแต่เป็นผู้บอกบอกวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องให้กับเราเท่านั้นเราต้องนํำมาวิธีที่ถูกต้องที่เราได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าก็ดีจากพระอรันตสาวกก็ดีมาปฏิบัติเมื่อเรามานำมาปฏิบัติีที่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ คือปฏิบัติเต็มที่เต็มร้อยปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนดับยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นที่ไม่มีการปฏิบัติเช่นปฏิบัติสติปฏิบัติสมาธิปฏิบัติปัญญาเนี่ยเป็นสามวิชาที่เราจะต้องปฏิบัติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับสลับกันแต่มีสตินี้เป็นตัวปฏิบัติยืนพื้นตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับส่วนสมาธิกับปัญญานี้ก็สลับกันไปถ้าทําอย่างนี้แล้วต่อไปจิตก็จะมีพลังที่จะสามารถ ดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากได้อย่างแน่นอนนี่คือที่พึ่งทางใจที่จะเราจะต้องสร้างกันขึ้นมาสองส่วนเกอพุทธทางธรรมังสังคังสรนังกัชามิมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์ในการสั่งสอนให้เรารู้จักวิธีการการดับทุกข์ที่ถูกต้องและเราก็ต้องมีอัตตาหิอัตโนโนาถนะโถ เราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองไม่มีใครปฏิบัติแทนเราได้ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วผลก็คือมรรคผลผนิพพานการหลุดพ้นจากความทุกข์ในระดับต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนนี่คือวิธีการของการสร้างที่พึ่งทางใจเพื่อดับความทุกข์ต่างๆที่มีใ น, ในใจให้หมดสิ้นไปก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะทาวาริวะหาปูราปริปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตจินังเปตานังอุปกปติยิช e ิตตังปะทิตตังตุมหังคิปเมวะสวิชฉาตุสัพเปปุเรนตุสังกปา จันโทปนะราโสยธามณิโชติราโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตารโยสุขิทีขายุโกภวะอภิวาตนะสิริสานิจังวุฒาปะจายโน จตาโรโหทมาวาทานเตอายุวนโนสุขังภาลางังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคําถามใครมีคําถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยก็เป็นช่วงที่สะดวกที่สุดเพราะหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกเพราะต้องมีการทําอะไร ไม่สงบงั้นจะอยากจะถามอะไรถามในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้อันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ <Okay. S 2> วันนี้มีผู้ติดตามทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติอภิชาโต291คน YouTube พระสุชาติไลฟ์353 YouTube Dr. V Channel 5, 55คนวิทยุออนไลน์8 Clubhouse 6ผู้รับฟังธรรมะหน้ากุฏิ149คนรวมทั้งหมด862ครับมีคําถามภาษาอังกฤษใช่ ม, มีหนึ่งคําถามครับภาษาอังกฤษใช่มั้ยสันกฤษครับ Okay, we will ask your question for you. Okay, um, dear t a n a c h a n I am a beginner Buddhist. I have studied quite a, quite a lot of books and watch a lot of Buddhist videos. My questions are: uh, first question, how to adopt Buddhist theory into daily day-to-day -day practice? By doing it, Buddha said, practice charity. So be charitable with anybody who you come across with. If they need your help, then help them. This is practice charity or dana, and keeping the five precepts all the time: don't hurt other people, don't kill, don't steal, don't lie, don't commit adultery, don't drink alcohol. So you you can do this in your daily life, and meditation you can do it when you are not busy. When you have some some free time, sit down, close your eyes, and watch your breath. Try to stop your mind from thinking. Then you will be practicing, following the teaching of the Buddha. Okay. And second question: What is the role of meditation in Buddhism? Why do we have to meditate? How is meditation related to ending of suffering? And how can a beginner? Get started and practice meditation. Meditation is the practice of purification of the mind. The mind is defiled by the defilement of greed, hate, and delusion, and this greed, hate, and delusion will only be be got rid of by the practice of meditation. So you need to practice meditation if you want to stop your greed, your hate, and your delusion. Yeah. What was the second part of the question? Um, how can a beginner get started? By finding, when you have free time, instead of watching TV, instead of go and do something else, go find a quiet place, close your eyes and and meditate. It's simple. Ajahn Chah said that if you know how to breathe, you can meditate. All you have to do is watch your breathing. So yes, watch your breath at the tip of your nose. Focus, pay attention to it only. Don't let your mind go think about other things. If you can do this, your mind will gradually becomes calmer and calmer. And when the mind becomes calm, you will feel happy. You will feel happier and happier. Then you will have less greed and hate and delusion. Okay. ภาษาไทยครับ uh, จากผู้รับฟังหน้ากุฏิมีสองคำถามครับคาถามที่หนึ่งเรื่องจิตสุดท้าย ด้วยสามีดิฉันนับถือศาสนาคริสต์อ่านหนังสือของครูบาอาจารย์และได้มาอ่านของพระอาจารย์สุชาติเขามีความสงสัยเรื่องจิตสุดท้ายที่ว่ามีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบองค์หนึ่งได้นึกถึงจีวอนแล้วไปเกิดเป็นตัวเลนอยู่กับจีวอนทั้งๆที่ท่านปฏิบัติดีแต่ทําไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะจิตสุดท้ายเท่านั้นหรือคะมันเป็นกรณีพิเศษเมื่อจิตมีความผูกพันครับ สิ่งใดมากเป็นกรณีพิเศษบุญกับบาปที่ได้ทำไว้ยังจึงไม่สามารถที่จะมาแสดงผลได้เพราะว่ากําลังของความผูกพันมันมีมากกว่าความผูกพันก็เลยทําให้จิตที่ยังผูกพันอยู่กับจีวรของตนกลับมาเกิดเป็นตัวมแมลงเพื่อมาอยู่ใกล้ๆกับจีวรของตนเองแต่พอได้มาเป็นมแมลงได้อยู่ใกล้กับจีวรแล้วก็รู้ว่าไม่สามารถครอบครองจีวร น, นั้นได้ พอมาแรงวันนะั้นพอมาแรงคือตัวเรนนั้นตายไปจิตนั้นก็ปล่อยวางก็ไปรับผลบุญผลบาปต่อไปคำถามที่สองถ้ากรณีที่บุตรธิดามีการปฏิบัติด้วยความตั้งใจตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระอริยสงสาวกในพระธ ต, ตรไตรครบทั้งสามองค์ การปฏิบัตินี้สามารถที่จะส่งบุญกุศลให้กับปิดาผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและมารดาที่ยังมีชีวิตอยู่ตลอดจนผู้มีพระคุณทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วและยังมีชีวิตอยู่ได้มากน้อยแค่ไหนครับถ้ายังไม่ได้ผลก็ยังไม่ได้เลยเพราะยังอยู่ในขั้นทาการอยู่เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอยู่ถ้าอยากจะได้ผลบุญทันทีทันใดก็ต้องเกิดจากการทาทานเท่นั้น พอเราทําบุญทําทานปับ๊บผลก็เกิดขึ้นทันทีสามารถส่งผลที่ให้กับผู้ที่รงลับไปแล้วได้ทันทีแต่การมาปฏิบัติทำมาลักษาณะนี้มันยังไม่ได้ผลพอเพิ่งเพิ่งเริ่มปฏิบัติเหมือนเพิ่งเปิเหมือนประกับปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้วันนี้ไม่ใช่มันจะออกดอกผลพรุ่งนี้เลยก็ต้องปลูกไปแล้วก็คอยทํานูบํารุงต้นไม้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเริญเติบโตขึ้นมาเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วค่อยออกดอกออกผลต่อไป นั้จึงไม่ใช่เป็นวิธีการส่งบุญส่งกุศลให้กับผู้ที่ร่งรับไปแล้ววิธีการที่จะส่งบุญได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างมีผลก็คือการทำบุญทาทานทำบุญใส่บาตรบริาจาคเงินให้โรงพยาบาลให้ขอทานเียเป็นบุญขึ้นมาแลวความสุขใจความสุขใจนี้เราสามารถส่งไปให้กับผู้รุ่งรับไปแล้วได้ทันทีเลยคาถามจากทาง a c e b o o k ครับ จากคุณ ส, สัตยพัฒนจิตหนูชอบคิดปรามาสพระหนูรู้สึกผิดแต่ก็ห้ามจิตไม่ได้เลยค่ะหนูต้องแก้ไขอย่างไรเจ้าคะ่ะใช้พุทโธห้ามเสิพอรู้ว่าปรามาสขายกับพุทโธพุทโธพุทโธไปท่องพุทโธไปสักพักเหนียวมันก็หยุดปรามาสเองถ้ามันไม่หยุดเราก็อย่าอย่าเพิ่งไปหยุดพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะหยุดหลังจากมันหยุดแล้วเราก็สอนใจว่าต่อไปนี้ไม่ควรไปปรามาสขายไม่เกิดประโยชน์อะไร เราไปปรามาสคนที่เขาดีเราก็จะไม่ได้รับความดีจากเขา<ม>แต่ถ้าเราไม่ปรามาสเขาเขาเราเห็นว่าเขาเป็นคนดีเราก็จะสามารถเรียนรู้จากเขาได้<ม><ม>เพราะฉะนั้นอย่าไปปรามาสใครเวลาปรามาสใครก็ให้หยุดด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปคำถามต่อไปจากคุณรินคุณพ่อฝากถามว่าคำว่าเมตตาตกบ่อหมายความว่าอย่างไรคะ ไ ม, ไม่รู้เหมือนกันรู้แต่คำว่าเมตตาแต่ตกบ่อนี่ไม่รู้เมตตาก็คือความเป็นมิตรกับทุกคนอยากให้ทุกคนมีความสุขเพราะเพราะว่าถ้าใครเป็นมิตรกับเราเราก็อยากจะให้เขามีความสุขวันเกิดเราก็ส่งของขวัญไปให้เขาถ้าเขาเดือดร้อนก็ช่วยเหลือเขาเวลาเราทำอะไรก็อย่าไปทำให้เขาเกิดความเสียหายเดือดร้อนนี่คือความเมตตาเวลาเขาทาให้เราโกรธก็ให้อภัยเขานี่คือความเมตตา แต่ตกบอ่อนี่ไม่รู้เป็นยังไงไม่เคยได้ยินเพ่งเคยได้ยินวันนี้เพราะสมัยนี้มีคําพูดแปลกๆเยอะแยะเต็มไปหมดท่านจะมาตามคอยมาตามมาอธิบายค ง, คงจะไม่ไหวเพราะมันเป็นเรื่องของแต่ละคนจะคิดขึ้นมาเองคําถามต่อไปจากคุณสุขใจพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต พึงสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมทำในที่นี้คือความดีใช่ไหมครับก็ตั้งแต่ศีลธรรมตั้งแต่ทานศีลภาวนาขึ้นไปความดีทั้งนั้นเป็นบุญเป็นกุศลคำถามต่อไปจากคุณฮิวโยมคิดจะสวดมน์ควรสวดมนบทไหนดีครับทุกวันนี้ไม่เคยสวดมนเลยจเจริญภาวนาอย่างเดียวไม่ได้สวดมนเลยครับ ถ้าภาวนาได้ก็ไม่ต้องสวดก็ได้เพราะการสวดก็เป็นการภาวนาอย่างหนึ่งบางคนยังภาวนาไม่ได้ยังดูลมหายใจไม่ได้ก็เลยใช้การสวดมนต์แทนไปก่อนถ้าเราสามารถนั่งดูลมหายใจได้นั่งภาวนาได้เลยก็ไม่ต้องสวดให้เสียเวลาคําถามต่อไปจากคุณเพนขณะที่กําลังนั่งสมาธิภาวนาพุทโธไปเรื่อยพอเริ่มสงบ ก็จะค่อยๆก้มหัวลงไปจนกองกับพื้นแต่ก็รู้สึกตลอดแล้วค่อยๆฝืนยืดตัวขึ้นให้ตัวตรงเหมือนเดิมพอภาวนาพุทโธต่อไปก็สงบสักพักคราวนี้ลงไปกองที่พื้นเร็วขึ้นระวังไม่ทันเลยครับแต่ก็ได้ยืดตัวกลับขึ้นมาอีกช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นแบบนี้มาหลายวันแล้วครับขอความเมตตาหลวงพ่อแนะนําด้วยครับคือเปนภาวนาแบบหลับไม่เป็นภาวนาแบบมีสติ เริ่มต้นภาวนาสติก็ค่อยๆหายไปหายไปอ่ากายของร่างกายก็เลยค่อยๆพับลงไปพับลงไปถ้ามีสติอย่างตอนนี้เรานั่งคุยกันอยู่นี่เรามีสติตัวเราจะไม่พับใช่ไหเพราะมีสติคอยประครับประคองอยู่เห็นเวลาภาวนาต้องมีสติอยู่กับพุโทโธพุโทโธหรืออยู่กับลมหายใจอย่าทิ้งอย่าทิ้งสติเลยต้องมีสติตลอดเวลาแล้วตัวจะไม่งอตัวจะไม่เอน็นตัวจะไม่เป็นอะไร คำถามต่อไปจากคุณอน้นพ่อเลิกกับแม่และพ่อไม่ได้เลี้ยงดูหนูมาตั้งแต่หนูอยู่ประถมคุณแม่เลี้ยงดูลูกคนเดียวและตอนนี้แม่หนูเสียแล้วหลังคุณแม่เสียพ่อก็จะมาขอเงินและนำปัญหาเรื่องเงินมาให้เรื่อยๆเจ้าค่ะอยากกราบถามพระอาจารย์ว่าหนูให้เงินพ่อแล้ว แต่ไม่ค่อยอยากคุยกับพ่อหรือบางครั้งไม่มีความรู้สึกยินดีที่จะให้แบบนี้ต้องวางใจอย่างไรครับน้องนึกถึงบุญคุณของท่านมากๆเพราะว่าถ้าไม่มีท่านเราก็จะไม่มีเราที่เราเกิดมาได้ก็เพราะเราต้องมีพ่อมีแม่เป็นผู้สร้างเราขึ้นมางั้นพยายามนึกถึงบุญคุณอันนี้ของท่านแล้วความความชางังความไม่พอใจในพฤติกรรมของท่านก็จะค่อยๆหายไป แล้เราก็ควรจะแยกแยะว่าการเป็นพ่อกับการเป็นกั บ, ก, บ, ก, บกับพฤติกรรมที่ไม่ดีของท่านนี้เป็นคนละส่วนกันพอเราทุกคนมีกิเลสมีมีปัญหาที่บางทีไม่สามารถทําตัวเองให้เป็นคนดีได้แต่เราก็ไม่ควรไปดังเกียรติผู้เจ้าสอนให้เรามีความเมตตาให้รู้จักให้อภัยให้รู้จักให้อภัยคนที่เขาไม่ดีเพราะเขายังไม่มีความสามารถที่จะ รักษาตัวเขาให้อยู่ในความดีได้เราก็ต้องให้อภัยอย่าไปรังเกยียจเขาโดยเฉพาะคนที่มีพระคุณกับเราแต่ก็ไม่จาเป็นว่าเราจะต้องไปคุกคีกับเขาตลอดเวลาแต่ถ้าเขามาหาเราเราก็ควรที่จะมีการปฏิสันทานกันโดยมารยาทในฐานะพ่อกับลูกแล้วก็ยินดีต้อนรับพ่อแต่ถ้าพ่อจะมาชวนให้เราไปทำผิดทำอะไรเสียหายเราก็นั่งปฏิเสธไป คำถามต่อไปจากคุณสิริรัตน์คำว่าให้มีสติรู้กายในกายรู้เวทนาในเวทนารู้จิตในจิตรู้ธรมในธรรมหมายถึงอย่างไรครับอ๋ออย่าเพิ่งไปรู้มากขนาดนั้นเลยท่านให้รู้ทีละอย่างเบือ้องต้นให้รู้กายก่อนให้จิตอยู่กับกายตลอดทั้งวันอย่าให้จิตลอยไปที่อื่นให้เฝ้าดูร่างกายทำอะไรเ่อนไว้ตลอดเวลา ร่างกายกําลังยืนก็รู้ว่ากําลังยืนกําลังเดินกําลังนั่งกําลังนอนก็รู้ว่าอยู่กําลังทำอย่างนั้นร่างกายอาบน้ําก็ต้องรู้ว่าคำนี้ร่างกายอาบน้ำร่างกายรับประทานอาหารก็ต้องรู้ว่ากําลังรับประทานอาหารคือไม่ให้ใจไปคิดเรื่องอื่นนั่นเองทําอย่างนี้แล้วจะมีสติทําให้ใจตั้งมั่นทําให้ใจหยุดความคิดต่างๆได้คําถามจากคุณใบหยกมีสองคำถามครับคําถามแรก สิ่งที่ลูกได้จากการปฏิบัติธรรมจริงๆก็คือการมองเห็นจิตตน mm. เห็นสิ่งที่มากระทบและเห็นว่าจิตตนจะปรุงแต่งไปในทางใดต่อลูกก็จะตัดด้วยคำบริกรรมเพราะบางทีปัญญาก็เกิดไม่ทันซึ่งแต่ก่อนลูกจะเห็นแต่โทษของคนอื่นในปัจจุบันที่ได้จากการฟังทำคําสอนของพระอาจารย์และนำมาปฏิบัติก็แก้จิตตนสาคัญที่สุด และเป็นสิ่งที่ควรทำที่สุดเจ้าคะ่ะเมื่อลูกเจอสภาวะภายนอกคำที่ไม่พึงประสงค์ลูกจะไม่ให้สิ่งนี้มากระทบแต่ก็มีเกิดบ้างบางทีคือความร้อนของจิตแต่อยู่ไม่นานสิ่งนี้เกิดจากการที่ปฏิบัติใช่ไหมเจ้าคะและจิตใจที่มั่นคงหนักแน่นมากกว่าแต่ก่อนมากครับจากการมีสติที่เราฝึกมาอย่างต่อเนื่องแทนที่เราจะไปมองข้างนอกเพียงอย่างเดียวเราจะมองข้างในด้วย มองข้างนอกปั๊บใจร้อนขึ้นมาทันทีเราก็จะเห็นทันทีพอเรารู้ว่าใจเราร้อนเราก็ใช้พุโทโธระงับมันทําให้ใจกลับมาเยน็นหรือใช้ปัญญาให้อภัยเขาอย่าไปทือโทษโกรธเคือแล้วหรือพิจารณาว่าเขาเป็นอนัตตาเราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ได้ก็ปล่อยเขาทําไปแต่เราอย่าไปทุกข์ไปเดือดร้อนกับการกระทําของเขาทั้งนี้ ครับคำถามที่สองอีกสิ่งหนึ่งที่ได้ก็คือไม่กลัวว่าจะถูกใจใครหรือไม่แต่จะยืนหยัดพูดและทำในสิ่งที่ถูกต้องซึ่งแต่ก่อนลูกไม่ได้เป็นแบบนี้จะนี่คือผลของการปฏิบัติที่ถูกทางแล้วใช่ไหมครับต้องจิตมีความมั่นคงไม่หวาดไหวกับโลกธรรมทั้งแปดเกิดลาบยศ ส, สรรเสญสุขและการเสรื่อมลาบยศสารเสรสุขว่าเป็นเรื่องธรรมดา มีคนรักเราก็มีคนเกลียดเราเป็นธรรมดามีคนสรรเสริญก็มีคนตำหนิเราเป็นธรรมดาดัางนั้นไม่หวั่นไหวกับโลกธรรมเพราะว่าเป็นเหมือนปรากฏการทางธรรมชาติที่เราบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้เหมือนดินฟ้าอากาศฝนตกแดดออกน้ำท่วมเราไปสั่งมันไม่ได้ก็ปล่อยมันตกไปท่วมไปมนี่เกิดจิตของผู้ที่มีปัญญาเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตา คำถามต่อไปจากคุณวัชราคนที่โกรธและเจ้าคิดเจ้าแค้นผูกพยาบาทเพราะทะเลาะกันแต่ก็ไม่ได้ทำร้ายเขาถือว่าเป็นบาปที่จะพาลงไปสู่อบายหรือไม่ครับถ้ายังไม่ได้มีการกระทำทางกายทางวาจายังไม่เป็นบาป you have a question sir <Yes. S 2> would you like to ask yourself go ahead you can stand and, and ask where where you are Okay. The peace I saw in your face and in your smile a few moments ago, I felt was a blessing. Do you think I can find such peace in my heart despite the bad things I have done during my lifetime on this earth? I was a well-known gangster, but I've been trying to change my life in recent months. Yes, you can change yourself from bad to good. And you can reap the benefit of being good without worrying about the past, past karma that you did. So don't worry, what you did is already gone, is t past. What's important? What is now? What are you doing now? I'm trying to find peace in my heart. That's right. By practice, loving kindness toward all people, be kind, be nice, be forgiving, and then trying to meditate, stop your mind from thinking. You, meditate. Do meditation by stopping your mind from thinking aimlessly. I think too much. Lately. Yeah. Focus your mind on your on your breathing when you meditate. Just keep watching your breath without thinking about anything, and you can stop your thoughts, and your mind can become peaceful and happy. Thank you. I came here today hoping to find peace. Okay. Thank you. Good. You can follow my teaching on my Facebook page. Okay. Next, please. You can ask. y speak English. Speak Thai. Yeah. Yeah. I don't know you have to put the microphone close to your mouth. I don't know. Okay. I don't know much about Buddhism. I came from India. In last two days, I visited five to six Buddhism monastery, monastery, and met many. Monks, I see some m o n k s m o r i e s or big. They have fantastic, and the place looks g r a n d e u r My question is: Buddha sacrificed everything. He was an ascetic. Why then we have all the grandeur and century? If have... it's cultural or the simpler ways. Well. Maybe I should let him read the question because I couldn't understand what you were reading. Okay, go ahead. And the question reads: I don't know much about Buddhism. I come from India. In the last two days, I visited five to six Buddhist monastery and met many Ajahn's monks. I see some monasteries are big. They are, they have fanfare and the place look. Grander. My question is, Buddha sacrificed everything he was an ascetic. Why then we have all the grander? What is it cultural? Are there simpler ways? Well, there are all types of monasteries. There are monasteries that promote grandeur by building, building all types of buildings in the monastery. And then also monasteries that uh, promote peace and quiet, in which there is r e a l l y hardly any any building at all. So it's, it's up to the teacher who established the monastery, what he likes. If he likes grandeur, then he builds the mm -hmm. big temple. If he likes peace and quiet temple, then he just keep the, the the temple peaceful and quiet. So it varies from teacher to teacher. It means. Some of them are not yet enlightened. The enlightened one usually prefer peace and quiet, while the unenlightened teacher, they still want to promote grandeur because they think that by promoting grandeur, it will promote Buddhism. Okay. Next, Kam Sakan Pha Chan. o m g o i n t h a m a เมื่อเรานั่งสมาธิจนใช้ใช้วิธีดูลมหายใจจนลมหายใจรู้สึกจะไม่มีแล้วท่จะไปต่ อ, อยังไงสติต้องทํำยังไงครับดูต่อไปดูที่เดิมต่อไปดูตรงที่ไม่มีลมนั่นอย่ า, อ ย, าอย่าทิ้งที่นั้นไปหยุดหยุดเดียวไปเรื่อยๆเพราะจิตใกล้จะรวมนะดูต่อไปสักพักเดี๋ยวเดียวมันก็จะรวมแนละ้วจะนิ่งสงบแล้วร่างกายบางทีก็หายไปลมก็หายไปตอนนั้นก็ไม่ต้องทําอะไรจิตจะมีความสงบมีความสุข ยังให้นั่งต่อไปดูที่เดิมอย่าไปเปลี่ยนที่อย่าไปคิดอย่าไปคิดว่าให้ลมหายใจหายไปแล้วเราเราจะตายหรือเปล่าวะตายแค่หน้าจิตมันจะอยากมันจะถอนออกมาอย่าคิดอะไรไม่ต้องกลัวไม่ต้องอะไรทตรงนั้นไม่ต้องมีปฏิกิริยาให้ดูต่อไปเหมือนตอนที่ยังมีลมอยู่หน้าจิตก็จะรวมกายจะรวมแล้วครับผม ค, ครับครับคำถามต่อไปจากคุณพีพี กราบเรียนพระอาจารย์โปรดเมตตาอธิบายคําว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาครับแล้วนี่เทศมานต้องชั่วโมงกว่าก็พูดแต่เรื่องนี้อนิจจังก็ของมันไม่เที่ยงมันอยู่ได้ชั่วคราวเช่นเมฆเนี่ยมันอยู่ได้ชั่วคราวอยู่บนท้องฟ้าได้ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ตกลงมากลายเป็นฝนใบไม้มันก็อยู่ได้ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็จากสีเขียวมันก็กลายเป็นสีน้ําตาลแล้วมันก็ร่วงลงมากลายเป็นดินไป ร่างกายของคนก็อยู่ได้เชื่อขา่าวเดี๋ยวก็ตายไปก็กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปนี่คือความไม่เที่ยงจิตใจเราก็ไม่เที่ยงวันนี้เราคิดดีพรุ่งนี้เราอาจจะคิดไม่ดีก็ได้ น, นี่ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอนัตตาคือเราควบคุม บ, บังคับมันไม่ได้มันเป็นธรรมชาติเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศวันนี้ฝนตกพรุ่งนี้แดดออกมาเลือนนี้น้ำท่วมเราไปสั่งมันว่าไม่ให้ท่วมไม่ให้แดดออก ให้แดดออกอย่างเดียวแต่ไม่ให้ร้อ น, นเราสั่งไม่ได้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติถ้าเราไปอยากให้มันเป็นใบาตามความอยากของเรามันก็จะทุกข์อยากให้ฝนไม่ตกพอ ม, มันฝนตกออกมาเราก็จะทุกข์อยากให้น้ำไม่ท่วมพอท่วมเราก็จะทุกข์นั้นเราอย่าไปอยากกับสิ่งที่เราควบคุมบังคับสั่งไม่ได้คาถามต่อไปจากคุณตาล คุณแม่เสียมาหนึ่งเดือนแล้วแต่ยังเสียใจและโหยหาถึงแม่ตลอดร้องไห้และจิตดิ่งบ่อยมากครับพอรู้สึกก็พยายามดึงจิตให้อยู่กับปัจจุบันและภาวนาพุโทโธแต่ก็จิตตกตลอดเลยครับกราบขออุบายที่ทําจิตให้เสียใจน้อยครับพุโทโธน้อยไปต้องพุโทโธไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะหายเศร้าถ้ายังไม่หายเศร้าก็อย่าเพิ่งหยุดพุโทโธเหมือนกับกินยากแก้แก้ปวดนี่ ถ้ายังปวดอยู่เราก็ต้องกินไปเรื่อยๆกินไปจนกว่าอาการปวดหายไปแล้วเราถึงจะเลิกกินยาได้พุโทโธก็เป็นเหมือนยาแก้ความทุกข์ทางใจพอเราเกิดความทุกข์ทางใจขึ้นมาแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปอาจจะต้องใช้เวลาหลายนาทีหรือหลายหลายหลายสิบนาทีหรือหลายชั่วโมงก็ได้แต่ถ้าเราทําไปไม่หยุดเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วจิตก็จะหยุดสร้างความทุกข์ให้กับเรา mm hmm. หมดแล้วเหรอโอเคมีใครอยากจะถามอะไรอไหม